จักตววตุอาระหตัสมบัติมุทัสนะโมดาาัจจ์สความรู้เกิดความเข้าใจแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติขัดเกาลาในแก่ความชั่วที่ยังมีอยู่ในการกระทาในทางกายของเราบ้างทางวาจาของเราบ้างทางจิตใจคือแนวความนึกคิดของเราบ้าง เมื่อเรามีความเพียรพยายามที่จะลดละปล่อยปะละละวางอยู่เสมอๆและอยู่เนืองๆแล้วในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ค่อยจะหมดไปเบาบางไปเป็นลำดับอันนี้เพื่อจะชี้เราได้เห็นถึงสมุดฐานของกา ร, กรความชั่วที่มันเกิดขึ้นได้แก่กายวาจาและจิตของเรา ซึ่งมีในรูปลักษณะต่างๆให้เราได้น้อมนำไปพินิจพิจารณาตลอดถึงผลเป็นที่มาแห่งความชั่วโดยที่ท่านยกขึ้นกล่าวว่าย่อมดิดีที่แปดคําแห่งการรับผลแห่งความชั่วนั้นย่อมตามเผาผ่านผู้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนต่างก็ได้เสียสละซึ่งภารกิจ องร้อนในภายหลังอย่างนี้เป็นต้นความว่าเดือดร้อนนี่เป็นผลของความชั่ว์แต่นี่ความจะเดือดร้อนนั้นเดือดร้อนเพราะการทำบ้างมันเผาเราให้เกิดความเดือดร้อนเพราะการทำบ้างเพราะการพูดบ้างเพราะความคิดบ้างแต่นี้ทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรมันจิงเป็นไฟตามเผาผานเราให้เกิดความเราร้อนร่อยยับมอดมวยมรณา เมารายไปจากลุกขึ้นไปจากหนักะโยยสิ่งอนอย่างนี้ก็มีดังคนบางคนมามีชีวิตในอาจมีความดีแม็นิดหนึ่งก็ได้เพราะฉะื่องมีใครละมิมาคุณแห่งความชั่วและความเลวที่มีอยู่ในหัวใจของตนกล่าวคือกิเลสโดยส่วนเดียวอย่างนี้ก็มีแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นเช่นนั้นเราเป็นคนที่มีความรักมีความหวงแหงสงวนชีวิตของตนไว้จึงได้นำพาชีวิตของเราเข้ามาสู่ในกรอบของพระพุทธศาสนา มายึดถือเอาซึ่งพระรัตนใจได้แก่พระพุทธพระธรรมประสงเป็นหลักใจเป็นแสงสว่างทางใจพระพุทธพระธรรมประสง์ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนประทีปให้สว่างเป็นแสงสว่างทางจิตใจของเราอย่างไรต่อเมื่อเราได้มาพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระรีสสงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านมีปฏิปทามีคุณลักษณะพิเศษอย่างไรอันนั้นแหละ คือความสว่างพระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดอาด จ, จากอาศวัคิเลสได้อย่างแท้จริงมีพระวรกายทั้งจิตใจสะอาดของใสบริสุทธิ์พระวรกายของพระองค์บริสุทธิ์ไม่มีความชั่วใดๆเกิดขึ้นจากการกระทาจากการเอ่ยโอดของพระองค์เลย ส่วนในเรื่องพระไทยความนึกคิดของพระองค์ไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีกีเลสเป็นเครื่องครอบงาำที่เดิมของกายเรานนั้ดูที่สมัยเมื่อเราไล่ดิงสาเอาจะชี้ให้เราเห็นกันในปัจจุบันแบบง่ายๆขณะที่เราแบแบ่บอกอยู่ในบอกอยู่ในอ้อมอกของแม่นั่นแหละกายของทานลกนั้นเป็นปกติใช่ไหมบาปอะไรก็ไม่เกิดขึ้น นี่แม้ปัจจุบันทันตาเห็นก็ปรากฏการให้เราได้รู้แต่ถ้าว่าเราเนี่ยไม่ชอบที่จะมองในเรื่องของความเป็นปกติชอบที่จะมองในความผิดปกติเพราะฉะนั้นไทยมุงแต่ละครั้งนัน้เราลองพิจารณาดูไม่ใช่ไปมุงดูสมลุมดูความเจริญงอกงามของคน แต่ชอบมองดูมุงดูความพิบัตรชิบหายของชาวบ้านเป็นส่วนมากมากกว่าที่จะไปมุงความดีนี่ตลอดถึงอื่นๆจะยังวัดวาศาสนาเนี่ยทั้งๆที่ทุกคนบอกว่าเออศาสนาดีไหมดีศีลธรรมดีไหมดีไปวัดดีไหมดี ดีแต่ไม่ชอบมาแต่ต้องตรงการค้าในโรงหนังโรงละครหน้าเวทีดนตรีเต็มมืดไปหมดในอย่างนี้นั่นคือไปดูอะไรไปดูความชิพพาย เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมาประกอบความภาคความเพียรเพื่อรักความชั่วได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจใช่ว่าเราจะมีความภาคภูมิใจเพราะเรามาตามระลึกถึงแต่คุณงามความดีที่เราได้ประกอบสร้างสรรได้เกิดขึ้นในส่วนกายส่วนวาจาและส่วนจิตของเราเมื่อเรามาตามระลึกถึงคุณงามความดีของเราแล้วแม้แต่เรานั่งนึกนอนนึก เดินนึกถึงคุณงามความดีในแล้วปัจจุบันมันก็เกิดความลื่นเลืงบันเทิงใจเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจเออวันนี้เราละความชั่วได้นะเรามีศินห้าเรามีสินแปดเราละความชั่วที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราได้เราอดทนได้เรามีธรรมะเรามีขันติธรรมเรามีธรรมะคมจิตคมใจไม่โกรธตอบ ในการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นความภาคภูมิใจวันนี้กายของเรามีสินมีธรรมมีทานมีการปฏิบัติธรรมคือเจริญสมาธิใจของเราก็จะเจริญสมาธิปัญญาใจของเราก็ภาวนาตลอดถึงสุขเละ็ทุก ให้ปรากฏขึ้นในโลกโดยเฉพาะแใจของเราก็มีการสร้างสรร์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราอยู่เสมอใจของเราก็ภาวนาเพื่อกำจัดสิ่งเก่าๆให้มันเบาบางและหมดไปภาษาธรรมะท่านแสดงไว้ในบางตอนว่าสิ่งเก่าๆได้แก่โลภโกรธหลง ความรู้สึกนึกคิดความนั่นแหละเป็นการดีคมวิตตกวิจาร์ซึ่งเป็นไปในแนวทางของกิเลสแนวทางของความโลภบ้างของความโกรธบ้างของความรุ่มหลงมัวเมาบ้างเมื่อเรามีสติเราเป็นผู้ภาวนาเป็นผู้สร้างสันสติเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องละลุกรู้แล้ว เห็นอนกะุศลเกิดขึ้นในจิตของสันนเราเร า, เราก็หาวิธีระอบายต่างๆที่จะเข้าไปยับยัง้งแม้มันแม้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราย่อมจเจริญตัวมากยิ่งขึ้นให้มันหยุดอยู่เมื่อมันหยุดอยู่ได้โดยวิธีอุบายของเราแล้วเราก็หาอุบายช่องทางที่จะกําจัดให้มันดับลงไปจากจิตคือแนวความนึกคิดของเรา หรือให้มันดับลงไปจากโครงสร้างที่เรานึกคิดขึ้นมาในจิตใจของเราเช่นอย่างเราภาวนาพุโทโธกำหนดลมนาปานาสตินี่แหละคือเป็นเรื่องที่เราจะสร้างสรรจิตของเรามิตก ล, ลึกนึกถึงสิ่งต่างๆให้เป็นจิตที่ดีเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นมาได้แก่การภาวนาจะเป็นภาวนาบทใดอะไรก็แล้วแต่ ทีนี้กิเลสมันแทรกแซงเข้ามาจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันแทรกแซงซึมเข้ามาในวงการของการปฏิบัติจิตใจซึ่งเรียกว่าภาวนาเนี้เมื่อเราเห็นแล้วรู้แล้วเราก็หาอุบายกำจัดมันออกไปเมื่อเราหาอุบายกำจัดมันออกไปแล้ววันนี้กำจัดไม่ได้วันหน้ามันก็จะต้องได้เมื่อเรากาจัดได้แล้ว จิตของเราก็จะอยู่กับงานกับการที่บริสุทธิ์เป็นงานที่จะพัฒนาจิตใจของเรานันให้พ่องใสโดยส่วนเดียวอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ถ้าเราจะมองไปถึงในส่วนต่างๆของร่างกายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นการกระทำซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกิเลสจะเป็นกว่าทางของความโลภ ค, ความโกรธความลงกาตั้นี่เราก็หาอุบายวิธีแก้ไขกาจัดออกไป ในปัจจุบันเมื่อเรามาละลึกถึงการกระทำของเราตั้การทําความดีลากความชั่วได้บําำเพ็ญความดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรามากก็ตามน้อยก็ตามมันก็ย่อมจะเป็นธรรมดาอยู่เองความภาคภูมิใจความดีใจมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามาละลึกถึงว่าถ้าเราแตกเราปัจจุบันนี้เราก็มีคุณงามความดีพร้อมอยู่ด้วยคุณงามความดีอยู่นี่เสมอเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่มัวเมาเจงเกินไป เมื่อเราแตกดับทำลายขันโลกหน้ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ตามเราไม่มีอะไรจะต้องอุทธรร น, นใจไม่มีอะไรที่หมดจจนัอินฮนออมิเานัตแมรู้ไปจริงจริงมันก็ไปสู่สุคติสวรรค์ ตามเป็นจริงอย่างที่เราคาดไว้ตามเป็นจริงอย่างที่นักปราชญ์ทุรุษท่านได้ทรงแสดงไว้เรียกว่าพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพระสมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งได้หยิบยกขึ้นมาให้เป็นแนวทางการศึกษาของพวกเราตามในยะที่ได้แสดงมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนิด เมื่อเราตายไปจริงๆมันก็ไปสู่สุคติสวรรค์ตามเป็นจริงอย่างที่เราคาดไว้ตามเป็นจริงอย่างที่นักปราชญ์ทุร้ท่านได้ทรงแสดงไว้เรียกว่าพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังซึ่งก็อาจข้อธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้หยิบชกขึ้นมาให้เป็นแนวทางการศึกษา และปฏิบัติของพวกเราตามในยาตที่ได้แสดงมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การวีราเอวังก็มีด้วยปการชนี เมื่อถึงการเวลาแล้วเราให้เขาให้ทาด ภะว t ตตุอระหะตุสัมมาสัมบุตตสันะโมตัสสะภะวัตตุอระหะตสัมมาสัมบุตตสัสุขะสังกัสะสามีสมักกาณังตะปสุโพติิมั สัตถมัปริยาญสติสัตสัทธายัสมัติสกัจธรรมโอโซตัโอติบนีจะได้แสดงธรรม ขณรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยความพร้อมเพลี่ยนคือความสามัคคีของหมู่ของคณะหรือของชนหมู่มากย่อมเป็นเหต ให้เกิดความสุขและความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะ ห, หรือชนเป็นจำนวนมากได้มาพร้อมกายพร้อมใจกันปฏิบัติ เพื่อแผดเผากิเลสของตนของตนย่อมเป็นเหตุให้เกิดสุขดังนี้เราท่านทั้งหลายต่างจิตต่างใจ ต่างฐานะ <c oughs> ต่างเพศต่างวัยและก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งผิดแผกแตกต่างกันออกไปตลอดถึงเรื่องของจิตใจก็มีอะไรอะไรต่างกัน ได้แก่ความโง่ความฉลาดโง่มากน้อยกว่ากันโง่เสมอกันฉลาดมากน้อยกว่ากันฉลาดเหมือนเหมือนกันอย่างนี้เป็นตน้นแต่จะอย่างไรก็ตาม เราท่านทั้งหลายที่ด้เกิดขึ้นมาในโลกคือพบชาติในปัจจุบันนี้ซึ่งมีอะไระไรต่างกันทั้งส่วนภายนอกคือรูปธรรมภายในคือนามธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้น ย่อมสำเร็จมาจากเหตุและปัจจัยเป็นเครื่องตกแต่งเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาและเป็นผู้ตกแต่งให้สัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะคือเราท่านในที่นี้ มีอะไรแตกต่างกันออกไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็ได้แก่กรรมดังนั้นในศาสนานี้ท่านจึงได้ชี้หรือแสดงไว้ว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ ให้มีภาวะคือความเป็นต่างๆกันจะเกิดเป็นคนละทิศละทางคนละพุกระระพบระภูมก็ด้วยอำนาจเพราะกรรมนั่นเองนอกจากกรรมเป็นเครื่องกำหนดชะตา ชีวิตของมนุษย์และสัตว์รวมทั้งตกแต่งรูปร่างผิวพรรณวันณะตลอดถึงจริตนิสัยแล้วกรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กาเนิดให้กำเนิด ได้แก่เป็นแดนเกิดเราเกิดด้วยอำนาจแห่งกฎของกรรมไม่ใช่เพราะพระผู้เป็นเจา้าและก็ไม่ใช่เพราะผู้ให้กำเนิดในปัจจุบันคือปิดามารดาหรือพ่อแม่ของเราแท้ที่จริงนั้น เมจมูกอบมััแก่จะรมจมกาบอก่งั้นกวนบุดนั่นจกปีที่เดียบงานเด็ดบีเดียบงานเ็อีตาคุสนิยวีมีมกนงีจีมาน้อนลลงรกที่ดเด็กงอสศนาท่านแสดงไววหรือกล่าวไหว าที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมถุงนมทั้งๆ ท, ที่เรามีอะไรปิดแพกแตกต่างกันดังที่กล่าวแล้วแต่เรา